วันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2538เป็นการบรรยายพะสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมบทบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตธตาท่านสาธุชนที่เคารพครับการบรรยายพะสูตรในครั้งนี้จะนำเอาพะสูตรในลำดับที่3ของวรรคที่3มาอธิบาย ระสูตรนี้เป็นสูตรยาวและมีความละเอียดลึกซึ้งค่อนข้างมากผมอธิบายระสูตรนี้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษกว่าที่ได้พูดมาอ่าระสูตรนี้มีชื่อว่าอุปนปิสสุแปลว่าเรื่องมีที่อาศัยโดยเนื้อหาของธรรมะในสูตรนี้กล่าวถึงธรมเป็นที่ ยิงอาศัยกันและกันโดยลําดับคล้ายๆปฏิจจ์หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปฏิจจ์สองสายสองจำพวกหรือจําพวกที่กล่าวถึงปฏิจจ์ที่เป็นเรื่องวงจรของกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏอย่างที่เรารู้กันอยู่หรือได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาเป็นหลักโดยลําดับของประสูนย์ต่างๆปฏิจจ์อีกส่วนหนึ่งเป็นปฏิจจ์ที่ กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของวิวัตตะหรือเป็นกระบวนการของการถอนออกจากปฏิจจะที่เป็นเรื่องของสังสารวัตรปฏิจจะแต่ละองค์นั้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไปโดยลำดับในสูตรนี้ท่านเรียกความเป็นที่อาศัยหรือเหตุอันเป็นที่อาศัยของธรรมในส่วนที่เป็นผลนั้นว่าอุ ป, ปนิสส หนึ่ก็เป็นคําเดียวกับคําว่าอุปนิสัยอย่างในอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสยัยในคำว่าอุปนิสัยปัจจัยอย่างที่ได้ยินกันในการเรียนมหาปฐานนั้นแปลว่าอที่เข้าไปอาศัยนะที่เข้าไปอาศัยหรือปัจจัยอันเป็นที่อาศัยอย่างแรงกล้าก็าดัดหรือแปลพอให้มันได้ความก็คืออ ทำอันเป็นที่เข้าไปอาศัยอย่างแหลงกล้าอันนี้โดยพยัญชนะก็คื อ, อสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นที่อาศัยให้เกิดสภาวธรรมทั้งหลายที่กล่าวถึงในนี้เป็นเหตุปัจจัยโดยลําดับที่เกี่ยวข้องกับนัยยะของการปฏิบัติด้วยถ้าหากว่าใครเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านหนังสือที่มักจะคัดมาจากพระไตรปิฎกบางทีจะได้เจอคําพูดลักษณะอย่างนี้ แต่เรามองความไม่ชัดก็โดยมากจะอธิบายเป็นเรื่องพื้นพื้นไปพื้นพื้นไปว่าปราโมดอย่างงวลปลาคืนเป็นเรื่องของแนวความคิดแต่เมื่อเราศึกษาอย่างในหลักฐานทางบทอธิบายขั้นลึกเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องแนวความคิดอย่างทั่วไปเป็นเรื่องในญยยะของการปฏิบัติพูดง่ายๆว่าภาวนาใหม่เป็นเรื่องของภาวนาใหม่ที่มีขั้นตอนโดยลําดับพิสดาร ตามในยานีในเบื้องต้นของสูตรนั้นสูตรนี้เกิดขึ้นเมื่อพระผู้มีพภาคกระทับที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีได้ทรงตรัสแก่พิสูจทั้งหลายว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลา ย, าลายเมื่อเรารู้อยู่เห็นอยู่เราจึงกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็น เราไม่ได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเรารู้เราเห็นอะไรเล่าความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีเมื่อเรารู้เราเห็นว่าดังนี้รูปเป็นตน้นจนถึงดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญ ญ, ญาณข้อความตรงนี้ ก็เหมือนกับในสูตรก่อนและสูตรถัดไปผมไม่อธิบายเป็นลำดับอีกแต่จะเลือกอธิบายบางจุดที่ควรจะอธิบายเพิ่มเติมย้ำก็คื อ, อเนื้อความที่ทรงตรัสว่าเมื่อเรารู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยถามว่ารู้อยู่เห็นอยู่ด้วยวิธีการใดด้วยญาณอะไรตอบว่า ทรงหมายเอาการรู้อยู่เห็นอยู่ด้วยวิปัสนาและมัจเป็นที่สุดคือพระทรงได้ปฏิบัติวิปัสนาและได้บรรลุมัจที่เราเรียกว่ายานความรู้อยู่เห็นอยู่ด้วยยานทั้งสองนั้นที่สำเร็จแล้วเรียกว่ารู้อยู่เห็นอยู่ในทีน่นี้อันนี้เป็นการกล่าวถึงตัวยานขันห้านั้นนะเป็นการกล่าวถึงตัวอารมณ์ หรือวัตถุที่ยานกำหนดรู้เราก็มองข้ามไปดูอีกนิดหนึ่งว่าที่ตรัสว่าเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าอิติรูปังคือดังนี้รูปในใ น, ในข้อต้นนะความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปจนถึงวิญญาณซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์ห้าเนี่ยความจริงตรงนี้ท่านหมายถึงอาลีสัตสีนั่นแหละ คำว่าอิติอิติตั้งแต่อิติรูปไปจนถึงอิติวิญญาณ น, นั้นเป็นทุกขสัจจะที่กําหนดรู้มาโดยลําดับตั้งแต่วิปัสสนาจนถึงมรรคซึ่งเป็นจุดแจ่มแจ้งเต็มบริบูรณ์และคําว่าอิติรูปะสมุทัยอิติรูปาสมุทัยหรือบาลีว่าอิติสมุอิติรูปาสมุทโยจนถึงเวทนาสัญญา สังขารและอิติวิญญาณสมุทยัยข้อนี้คือสมุทยัยเหตุเกิดของทุกข์คือขันธ์ห้าที่กล่าวว่าปัญจ ป, ปาทานขันธาทุกขานะฮะและคำว่าอิติรูปอัถังคมะจนถึงอิติวิญญาณอัถังคมะว่านี้คือความดับ แห่งรูปจนถึงวิญญาณเป็นชื่อของนิโรธสัตว์ส่วนมรรคสัตว์ในที่นี้ปรากฏอยู่ในคําว่าความรู้ที่ตรัสว่าเรารู้ก็ เ, เป็นความรู้ที่ปรากฏในขันของพระองค์ในสันดานของพระองค์หรือพูดง่ายๆว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองในท่านกล่าวถึงความรู้ของท่านที่ท่านได้มาสอนให้ปิสุทธทั้งหลายได้รู้ตามอย่างนั้นได้ความรู้อย่างนั้นด้วย อันนั้นเป็นมักกะสะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอย่างประไติดกทั่วไปว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาโดยยกเอายานเป็นหัวหน้าจึงเป็นว่าทรงประกาศความรู้ด้วยหมายเอาภาวนาใหม่ไม่ได้หมายถึงความรู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นอัตถกถาท่านจริงปฏิเสธไว้ให้ว่า คำว่าความรู้ในนี้ไม่ใช่ความรู้อย่างอื่นและความรู้อย่างอื่นที่ท่านยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างก็เช่นว่าความรู้ในการงานต่างๆเช่นอย่างพระรู้เรื่องการเย็บจีวรปะชุนจีวรหรือการาสร้างเสนาสนะหรือความรู้อะไรๆอื่นเนี่ยครับความรู้เหล่านี้ไม่ใช่เป็นความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจอันหนึง่งที่ทําให้หมดกิเลสนะและก็ไม่เป็นปทัทไม่เป็นใช้คำไม่เป็นปทัทฐานคือเหตุให้ไปสวรรค์หรือมรรคผลนิพพานไม่เป็นปทัทฐานคือไม่เป็นเหตุเพื่อสวรรค์นิพพานนะสรุปนั่นก็ได้ไม่เป็นเหตุเพื่อสวรรค์นิพพานในความรู้พวกนี้อีกอย่างหนึ่งที่ท่านปฏิเสธด้วย ก็คือความรู้คืออเนสนากรรมหมายถึงอันนี้พูดอย่างพระพระพูดอธิบายอย่างพระพระพุทธโกษาจารย์ว่าอาเนสนากรรมเนี่ยหมายถึงภิกษุผู้ใช้ความรู้แสวงหาปัจจัยอย่างไม่ถูกต้องเรียกว่าอาเนสนาเอสนาแปลว่าแสวงหาอาเนสนาคืออาชีพที่ไม่ควรใช้เป็นวิธีแสวงหาปัจจัยอย่างพระ เช่นทำตนเป็นหมอรักษาเพื่อแลกเปลี่ยนกับปัจจัยสีเป็นต้นมันมีอยูต่ตั้งหลายอย่างหรือการประพฤติตนรับใช้ก็เป็งหัดทำตัวเป็นพูดทำตัวเป็นสื่อเพื่อประกอบเป็นอาชีพอย่างนี้ถือว่าเป็นอเนรนาและทพระธรรมท่านว่าเป็นเหตุว่านำไปเพื่อถึงอาบายอันหนึ่ง แล้วก็ไม่เป็นเหตุเพื่อสิ้นอาสวะแต่เป็นเหตุก่ออาสวะคือ ท, ทำให้เกิดกิเลสนี่นี่เป็นเรื่องที่ผมว่าตามตาราพระพูดอย่างปร่าก็เป็นนั้นว่าเป็นการอัตถกาถาประกาศขอบเขตของความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรารู้อยู่เนี่ยและข้อความที่ท่านตรัสว่าเรามิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจากความให้รู้อันนี้ท่านก็บอกว่า พระผู้มีพระภาคได้ทรงปฏิเสธลัทธิอื่นหรือวิธีอื่นว่าบุคคลจะได้อาสวะข ย, ายาัยญาณพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั้นไม่ใช่ได้ด้วยความไม่รู้รู้ไม่ถึงขั้นก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่รู้ก็ยิ่งไม่ได้ เ, เพราะว่าบางลทัทธิเนี่ย ได้แสดงเหตุสิ้นอาสวะหรือปฏิปทาเพื่อสิ้นอาสวะว่าเป็นสังสารสุดทธิวัดคือไม่ต้องทําอะไรทําหน้าที่คมหน้ากคมตาเกิดไปเรื่อยๆถึงเวลาก็หมดกิเลสเข้านิพพานเองนี่ท่านยกตัวอย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้หรือคนที่ปฏิบัติวัดผิดอย่างอื่นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้ไอ้ที่พูดว่ารู้ยังงู้ดรู้อย่างนี้เป็นเรื่องรู้ไม่ถึงขั้นบ้างก็มี และไม่ใช่เป็นความรู้เลยก็มีอันนี้ก็แปลว่าคนที่สิ้นกิเลสทุ ก, ทกองค์ทุกคนเนี่ยว่าจริงๆแล้วไม่ต้องถึงเป็นอรหันต์ถึงจะเป็นโสดาบันเป็นต้นจะต้องสามารถอธิบายได้บอกแกตัวเองได้ว่ารู้อะไรรู้อย่างไรอธิบายได้เลยถึงไม่เรียนทฤษฎีมาก็สามารถจะบอกกับตัวเองได้ เป็นประจักษ์กสิทธิหรือคนอื่นมาถามตัวเองอาจจะไม่ได้เรียนทฤษฎีอะไรมาเลยเนี่ยถ้ามีคนมาถามแล้วก็บอกรับบอกปฏิเสธอย่างเหมาะสมได้เพราะฉะนั้นอาจารย์พูดสูด่สอนอารมณ์กรรมฐานเนี่ยจึงสามารถจะถามแล้วโกหกไม่ได้าอาจารย์นั้นรู้จริงแล้วคนนั้นก็พูดออกแล้วจะต้องตรงกับสภาวธรรมด้วย เป็นธรรมดาถึงคนนั้นจะเป็นชาวไร่ชาวนาตะสีตาสะหูจาไม่ค่อยสลาสลวยไม่ค่อยเป็นแต่พูดสภาวะธรรมได้และถ้าสามารถมีวิชาครูก็สามารถที่จะอธิบายทฤษฎีเหล่านั้นให้คนอื่นเข้าใจได้นี่คือความรู้ที่ต้องอธิบายได้ว่าอะไรกว่าที่จริงแล้วมันก็เริ่มตั้งแต่ว่า ก่อนที่จะไปปฏิบัติเนี่ยต้องมีเหตุผลอยู่ในใจที่พอพูดได้ตามสมควรแล้วปฏิบัติแล้วก็เห็นตามนั้นในสูตรนี้จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมพูดตอนนี้ไปโดยลําดับทีหลังซึ่งผมจะชีให้เห็นอทีนี้เรามาดูคําว่าสิ้นอาสวะก็หมายความว่าก็ความตรงนี้ท่านตรัสถึงความสิ้นอาสวะเป็นผลได้สุดท้ายและ ประกาศเหตุหรือปฏิปทาหรืออุบายเพื่อสิ้นอาสวะว่าอยู่ที่ความรู้และประกาศปฏิเสธความสิ้นอาสวะที่ไม่ใช่อุบายปฏิเสธสิ่งที่ไม่เป็นอุบายคือความไม่รู้นีแ่แปลว่าทรงยกยานเนี่ยครับปัญญาเป็นอุบายซึ่งก็ไม่ได้หมายว่าไม่เอาอย่างอื่นนะแต่ว่ายกเรื่องสําคัญจุดสูงสุดเนี่ยคือตรงนี้ ที่วิปัสนาญาณอะไรจะเป็นลักษณะทางพุทธศาสนาเรายกย่องปัญญาเป็นหัวหน้าแล้วก็ผลได้ความจริงผลได้เนี่จะพูดวนนิพพานหรือพูดว่าอะไรตั้งๆหลายเรื่องแต่ผลได้สูงสุดอย่างคนที่เป็นพระอราหารันนั้นเราเรียกว่าพูดได้อาสวาัไขนะปัญญาทําหน้าที่ละอาสวะเรียกว่าอาสวะกายานแล้วก็ความได้ ความพ้นจากอาศวะเรียกว่าอาสะวัไข่สูตรนีนะ้คงจะต้องอธิบายกันแบบใจเย็นๆแล้วก็ผมจะไม่เร่งให้จบในครั้งนี้หรือในครั้งหน้าแต่ว่ายังไงก็ไม่ให้เกินสามครั้งมากไปนะก็จะอธิบายถึงคำว่าอาสะวัไข่นิดหนึ่งอาสะวะกไขเฉยๆ กับอาสวะคไคยานในคนละอย่างกันครับพูดถึงอาสวะคไคก่อนอาสวะคไขแปลว่าสิ้นอาสวะอาสวะเราก็รู้ว่าเป็นชื่อของกิเลสหมักดองอยู่ในสันดานของสัตว์ผู้สิ้นอาสวะชื่อว่าอาสวัคไคทีนี้อาสวะคไขในความหมายเนี่ย ท่านว่าคํานี้พรจะพุทธเจ้าท่านว่านี่คืออัตตกถาว่าท่านได้ไปเที่ยวเก็บที่ความหมายของคําเหล่านี้ในที่ต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันให้เราได้สะดวกในการที่จะเอามาพูดกันได้ความหมายที่หนึ่งหมายถึงมรรคมัรคขยานความหมายที่สองคือผลรยาน ความหมายที่สามคือนิพพานความหมายที่สี่คือพังคะอาการพังคะอาการคำว่าอาสวะไขใเฉยอย่างที่หนึ่งคือมัรคยานทำไมเรียกมัรคยานว่าอาสะวะาัไขเพราะามรรคยานนั้นประการที่หนึ่งเป็นผู้ทำอาสวะให้สิน้น เป็นผู้ทำลายอาสวะนะนี่อย่างที่หนึ่งนะแล้วก็อย่างที่สองอย่างที่สองคือความหมายที่อธิบายว่าทำไมมรรคยานถึงเรียกว่าอาสวะเพราะมรรคยานนั้นเป็นภาวะจิตที่เรียกได้ว่าไม่มีอาสวะด้วยคือหมายก็ว่ามรรคเนี่ย เขาทำลายอาสะวะในขณะนั้นด้วยแล้วก็บริสุทธิ์จากอาสะวะในขณะนั้นด้วยจึงว่าเป็นผู้ทำอาสะวะให้สิ้นด้วยและเป็นความสิ้นของอาสะวะด้วยเป็นจิตที่บริสุทธิ์จากอาสะวะด้วยพ้นจากอาสะวะด้วยก็ได้นะเป็นจิตที่พ้นจากอาสะวะด้วยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงตรัสคำว่าอาสะวะ ไขด้วยหมายถึงมรรคในบางที่ผมเลยต้องขออนุญาตอ่านข้อความที่อัตกถาท่านอ้างบาลีเป็นหลักฐานผมไม่อ่านบาลีอย่างที่ท่านอ้างนะอ่านเป็นคำแปลว่ายานความรู้อันดับแรกในความสิ้นไปมีแก่พระเสกผู้กาลังศึกษาผู้ดำเนินไปตรงมรรคอันดับต่อไปก็มี อัญญาความรู้ทั่วถึงข้อนี้ท่านเรียกมักว่ า, ามักขยานว่าเป็นอาสวัคไ ข, ขนะคะนี่ก็เป็นคือแปลเป็นภาษาบาลีแล้วบางทีก็ฟังแล้วก็ไม่ได้การในคำว่าความสิ้นเนี่ยยานในความรู้อันดับแรกในความสิ้นไปแปลมาจากบาลีว่าขยัสมิงขยัสมิง หรือขยะขยะขยะยานถ้ท่าถอดข้อลกลุงลังจางบรีออกนะก็เอาความว่านี่ท่านยกขึ้นมาอธิบายตรงนี้ข้นี้อย่างที่สองคือผลระยะเรียกว่าอาสวะไขที่เรียกผลระยะว่าอาสะวัไขก็เพราะว่าผลระยะ น, นั้น เป็นความสิ้นอาสวะนี่อั น, น, นหนึ่งมันเหมือนกับมร ก, กิจมรรคก็เป็นความบริสุทธิ์จากอาสวะด้วยแล้วก็ทำลายอาสวะด้วยพอมาถึงผลรยานในผลยายไม่ได้ทำหน้าที่ทำลายเพราะอะไรเพราะมรรคก็ทำลายให้แล้วผลจึงเหลือแต่ความบริสุทธิ์จากอาสวะคือเป็นความสิ้นเป็นจิตที่ปลอดจากอาสวะนั่นอันหนึ่งนะอันหนึง่งแล้วก็ เป็นผู้ได้ความสิน้นคือเป็นความสิน้นโดยผู้ได้ความสิ้นด้วยห้ความเป็นสองอย่างผลและาญาณเลยลต้องกลับไปเที่ยวกับมรรคมรรคทำให้สิน้นและเป็นความและได้ความเป็นความสิ้นด้วยส่วนผลเนี่ยได้ความสิ้นจากมรรคแล้วก็เป็นความสิ้นคือบริสุทธิ์จากอาสะวะด้วย ก็คือมกกรรคผลเสมอกันที่ปลอดจากอาสวะแต่มักเป็นผู้ฆ่าอาสวะทำลายอาสวะผลเป็นผู้ได้ความสมเร็จจึงเรียกอาสวะไขคราวนี้พอมาถึงนี้นที่เรียกว่าอาสวะไข่ท่านก็บอกว่าเพราะอาสวะไขนั้นเป็นที่สิ้นอาสวะเป็นธรรมที่สิ้นอาสวะ นิพพานเนี่ยเป็นราคะขยโยโทสักขโยไม่มีอาไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเจืออยู่ในนั้นด้วยหรือหน่วงเอามาเป็นอารมณ์ด้วยอยู่คนละโลกกับโลกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนิพพานที่ที่ว่าเป็นอาสวะขยเพราะเป็นที่อาศัยการทําอาสวะให้สิ้นนี่อันนี้ก็หมายความว่ามักเนี่ยเมื่อหน่วงเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ได้นิพพานก็มา ช่วยเป็นพลังอุดหนุนได้มาคฆ่ากิเลสนิพพานจึงถูกเครียกว่าเป็นความสิ้นอาสะวะด้วยเลยขออนุญาตอ่านหลักฐานก็อติษถานท่านกล่าวสักนิดหนึ่งนะฮะถึงเรื่องของนิพพานที่จะบอกนิพพานเป็นอาสะวะเนี่ยคือท่านว่า สันนิพานก็เรียกอาสวะไขได้ในบาลีนี้ว่าอาสวาตัสตะวัฒนติอาราโศอาสวัคยาอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นจเจริญอยู่ผู้นั้นยังห่างไกลทำเป็นที่สิ้นอาสวะี่นี่พูดแบบเป็นลบว่าคนที่ยังมีอาสวะกิเลสเจริญอยู่เนี่ย ก็ยังห่างจากนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่สิ้นอาศวะเหมือนกับว่าผู้มีราคะเจริญอยู่ก็ห่างจากธรรมที่เป็นราคะกยะคือพระนิพพานคราวนี้ความหมายที่สี่ที่เรียกว่าพังคาพังคาการหรือพังคาอาการคำว่าราคะกยะท่านพูดในบางที่หมายเอา อาการที่อาสะวะผูกทำลายไปจากสันดานคือเรานึกง่า ย, ยางี้ว่าเหมือนอ เ, เราโกรธแล้วอาการโกรธ ด, ดับแตกดับไปอย่างนี้แต่ของเราดับแล้วมันมีขึ้นมาได้อีกแต่ของผู้ที่ถึงมรรคแล้วอาสะวะดับมีอาการดับดับแล้วไม่เกิดอีกไอ้ดับเนี่ยมันมีสองอย่างท่านอย่างที่ท่านว่าไ ว, วา้ว่าดับแล้วเกิดอีก กระดับแล้วไม่เกิดอีกอาสวะกิเลสที่ดับแล้วเนี่ยดับแล้วไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นอย่างรู้ว่าคนก่อนจะบรรลุเป็นพระอหรหันเนี่ยจะมีกิเลสที่เรียกว่าเกิดทิ้งทวนเราพูดข้เราเองนะกิเลสเกิดทิ้งทวนแล้วหลังจากนั้นไม่มีโอกาสเกิดอีกเลยเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วบรรลุมรรคมันทำลายเพราะนั้นนี่เรียกว่าเป็นราราคยะ เป็นกิเลสที่เกิดดับแล้วก็ไปหายไปเลยถ้าด่าเคยอ่านหลักฐานนั่งนิดหนึ่งอนะที่ท่านบอกว่าอท่านเรียกอาสวัไขนี้แม้จรงอยู่อาการที่สิ้นไปท่านก็เรียกอาสวะไขได้ในบาลีเป็นต้นว่าอาสวานังขยาอนาสวานังเจโตวิมุตติง เจโตวิมุตติที่ไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปน ะ, ะก็อาการที่อาสะวะสิ้นไปเสื่อมไปแตกไปแตกขาดไปไม่เที่ยงหายไปนี่เรียกว่าอาสะวะไข่ก็อ่านแล้วก็บางทีก็ภาษาท่านกับความคุ้นเคยของเราบางทีฟังแล้วไม่กระจ่างชัดไปทุกคำนะ แต่ก็ผมก็สรุปให้ฟังเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอ่านี่คืออาสวัไขมีความหมายเป็นสี่ทีนี้ปัญหาว่าสี่เหล่านี้มันไม่ได้แปลว่าทุกแห่งที่มีคําว่าอาสวัไขแล้วจะต้องเป็นสี่ทุกแห่งไปบางแห่งเป็นหนึ่งบางแห่งเป็นสองในที่นี้คาว่าอาสวะไขท่านหมายเอาสองครับสองแรก สองแรกคืออาสะวะคไขที่เป็นยานด้วยเรียกว่าอาสะวัคขยายานความรู้ที่เกี่ยวกับการทําอาสะวะให้สิ้นนมียานด้วยเพราะอะไรเพราะมรรคเกิดเนี่ยมีเป็นมรรคขยานมีปัญญาอยู่ในนั้นแล้วก็เกี่ยวกับความสิ้นไปของอาสะวะผลแลยานก็เป็นยาน ก็เกิดขึ้นเข้าไปเกี่ยวกับความสิ้นอาตวะโดยความเป็นผลจากมรรคอาสวะเฉยๆหมายถึงมรรคผลด้วยอาศาวะขยานเฉยๆลองเติมยานเข้าไปแล้วเหลือแก่สองอาศาวะเฉยเฉยสี่อาศาวะขยานเป็นสองสำหรับในสูตรนี้ ตรัสว่าอาสวะกไคเฉยๆนั้นทรงหมายเอาอาสวะขายานสองอย่างเท่านั้นนะก็หมายความว่าท่านตรัสว่าผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่แล้วทำอาสวะให้สิ้นเป็นความรู้ความเห็นอยู่ในยานสองนี้เกี่ยวได้ยานสองนี้รู้อยู่ด้วยทำอาสวะให้สิ้นด้วย จึงตรัสว่าเรารู้อยู่เห็นอยู่เราจึงกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่อะไรก็รู้อยู่เห็นอยู่เรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรครู้ตัวเองด้วยนะฮะความรู้นั้นรู้รู้เจริญตัวเองรู้ตามฐานะตามากิจของอริยสัตสี่ที่จะพึงกระทำอย่างไรนั่นเอง ก, ก็ว่าข่าวๆแล้วผ่านไปนะครับพลิกไปดูหน้าสองพอไปถึงหน้าสองนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงปฏิจจาในรูปของปฏิลมจากผลอันเป็นผลท้ายสุดสุดท้ายย้อนกลับไปหาเหตุโดยลำดบับโดยลำดับไปถึงต้นต่อ เหตุต้นแรกเป็นรูปของปฏิจจ์นะฮะแต่ว่าในห น, น้านี้เนี่ยมันไม่ใช่ปฏิจจ์อย่างที่เราพูดกันเป็นปฏิจจ์สายวิวัตตะพอไปถึงหน้าหลังเป็นปฏิจจ์สายวัตตะความจริงปฏิจจ์สายวัตตะในบางทีก็ทรงแสดงสายปฏิโลมเป็นสายวิวัตตะ อยู่แล้วเหมือนกันอย่างที่เราได้ผ่านมาแต่บางทีในสายวิวัตตเนี่ท่านไม่ได้พูดเป็นภาษาปฏิจจพูดเป็นเรียงเรียงยานเรียงกระบวนการของกุศลของภาวนาธรรมล้วนๆนะของภาวนาธรรมล้วนๆแล้วก็ไปถึงสายวัตตะก็กลายเป็นเรื่องตัมกิเลสวิบัติอย่างที่ออกมาเป็นองค์12สองของปฏิจจ์โดยที่จุดที่เรา จะเกือบจะเรียกได้ว่าเพิ่งจะได้ยินได้ฟังเป็นชัดเจนเป็นทางลึกขนแรกนะผมก็พูดพระสูตรพระไตรปิฎกมาทำให้นับเฉพาะที่มาพูดกันที่พูดโลกกับที่นี่ก็พูดมาตั้งแต่วัดโพลังรุ่นบุกเบิกพูดมาหลายเล่มแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้ครับเพราะนั้นจึงถือว่าตรงนี้เป็นจุดแรกและเป็นจุดแปลกใหม่ เป็นจุดที่ผมได้ค้นคว้าเป็นวิเศษลงไปก็เป็นความรู้ใหม่คือจุดเชื่อมต่อระหว่างวิวัตตะกับวัตต์ว่ามันมีอะไรเป็นจุดเชื่อมต่อและจุดเชื่อมต่อตรงนี้ฟังแล้วดูผลเผยแล้วไม่ก็ท่าเลยล่ะไม่ก็ท่ายัางไงคือที่ท่านบอกว่าศรัทธา 11. สิบกับสิบเอ็ดศรัทธากับทุกหะ ตัฐามีทุกเป็นที่อิงอาศัยแล้วก็ทุกมีชาติเป็นที่อิงอาศัยนี่ไอ้ทุกนี่เข้าพรมแดนของสายวัตฏะแล้วตัฐาอยู่ในพรหมแดนในกระบวนการของสายวัตฏะมาต่อกันตรงนี้ต่อกันยังไงเนี่ยท่านท่าอ่านพระ ส, สูตรนี้ในทางอิสานล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็ลองเดาความไม่ล่วงหน้าเพื่อเป็นการฝึกซ้อมการตีความธรรมะ อยากกระดูทีีว่าในทางอธิบายจะตรงกันไหมเราก็อ่านเป็นลำดับลูกตัวอักษรตั้งแต่เบื้องต้นที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมเมื่อทำเป็นที่สิ้นไปคืออาสวัไขเกิดขึ้นแล้วยานในธรรมเป็นที่สิ้นไปคือขยะยานอันนั้น แม่ใดมีอยู่ข้อความสองบรรทัดนี้ต้องอธิบายแล้วก็ต้องอธิบายเยอะซะด้วยคือตรงนี้นะผมก็ยอมรับว่าให้คําว่าขยายานเนี่ยผมก็คุ้นเคยมาจากที่อื่นไว้อย่างหนึ่งแล้วก็ตีความไม่ล่วงหน้าเป็นอย่างนั้นแต่พอเสืบดูในบทอธิบายในนี้เทียบเคียงกันในที่อื่นตามบ่อแสแแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจคือตรงนี้ถ้าจะไปถามนักอภิธรรม ระดับปรูบาจารย์ขยะยาเคืออะไรเนี่ยเขาก็จะตอบว่าขเยยานังอนุปาทยานังในอมาติกาว่าขยะยานังเป็นชื่อของมรคนี่นะอันนี้อย่าเพิ่งจดลงไปนะเดี๋ยวจะไปจดตามแบบนั้นมันไม่ผิดแต่ไม่ถูกตรงนี้แล้วก็อันขเยยานังแปล ว, ว่ายานที่ทําอาสวะให้สิน้นขยะยแปล ว, ว่าสิน้นขเยยานังยานามตามอาสวะให้สิน้น อันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม3ามสสี่อะแล้วมีบทอธิบายเป็นที่ชัดเจนและอนุปปาชจยานังแปลว่าอนุปาเทยานังยานในอันทมไม่ให้เกิดทำอะไรไม่ให้เกิดทากิเลส ท, ที่ทำให้สิ้นแล้วไม่เกิดอีกหมายความว่าผลยานเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำปฏิปัฏธิประหาร กิเลสที่มักความจริงมมักนราคาแต่ว่ามันเหมือนยังมีไออุ่นมีอุณหภูมิกิเลสอยู่เนี่ยนะผลและยานก็ทําลายให้หมดสิ้นทำไม่ให้เกิดสนิทเลยให้ดับสนิทก็ต้องอ้างอุบมาที่เคยอ้างแล้วของท่านอีกทีนึงว่ามักเหมือนกับน้ําที่ลาดไปในกองไฟกระป๋องแรกเรีวไฟดับไม่ลุกแน่แล้ว ผลนะเหมือนกันนกบน้ำกระป๋องที่สองลาดเราไปอีกทีคราวนี้อุณหภูมิก็ไม่มีแล้วดับสนิทเลยน้ำเจิ่งท่วมก อ, กองกองกุลนั่นแล้วนี่คือทำให้เกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นในที่นั้นจึงเรียกขยายยานด้วยหมายเอามาคยานและอนุปาทยานหมายเอาผลยานใครฟังเรื่องมาตติกา ที่อัดมาจากยูลานะฮะบางคนก็ไปฟังสดๆก็มีองคนก็อาจจะไปตามฟังเทปผมจะถึงตรงนี้หรือยังผมก็ไม่ทราบนะถึงหรือยังฮะถึงแล้วใช่ไหมอ่าถึงแล้วก็ก็คงจะจําได้อ่าทีนี้ในนี้มาพูดถึงในนี้ผมก็พูดซะเลยลงไปเลยว่า ในนี้ขยะยานท่านหมายเอาปัจจเวกขณะยานมองดูเราๆจากพระสูตรก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นด้วยและอัตถกถาก็แก้ชัดว่าเป็นอย่างนั้นว่าความสิ้นอาสวะเกิดก่อนผู้นั้นจึงได้ปัจจเวกต่อภายหลังนะเพราะฉะนั้นขยะยานตรงนี้จึงหมายถึงปัจเจเวคขณะยาน ก็เลยจะพูดถึงชื่อปัจเจเวข ย, ยานให้ฟังนิดหนึ่งปัจจเวขณะยานในมีชื่อเรียกเยอะเหมือนกันครับนี่พูดถึงว่าในพระรไตรปิฎกบ้างที่เราคุ้นบ้างในตกรกถาบ้างอย่างที่หนึ่งนี่นี่ต่อไปนี้ผมกําลังบอกชื่อปัจเจเวขณะยาน เ, าเลยห่วงว่าบางคนจะไม่รู้ปัจเจเวขณะยานคืออะไรซะอีกแล้วก็บอกซะหน่อยว่าปัจเจเวขณะยานนี่เป็นยานที่สิบหก ของผู้ดีทำวิปัสนาจนถึงมากถึงผลแล้วก็จะมาบรรลุปจัจจเวขณะยานซึ่งเป็นยานพิจารณาย้อนกลับไปทบทวนว่าตัวบรรลุมรรคบรรลุผลลางกิเลสมาอย่างไรเหมือนกับผู้ตื่นจากฝันแล้วก็ปจัจจเวถึงความฝันที่ตัวเองเพิ่งตื่นขึ้นมาหยกหยกเดี๋ยวนั้นเรียกว่าปจัจจเวขณะยานะในในยานปทกเรียกอย่างนั้นแต่ในที่อื่นๆที่หนึ่งเรียกว่า ปฏิเวทยานแปล ว, ว่ายานแทงตลอดปฏิเวทยานอย่างในตกรถาสูตรเนี้ยเรียกปฏิเวทยาน อ, อีกที่หนึ่งเรียกว่ายะถาภูต า, นนตายานทัศนะในพระไตรปิฎกโดยมากเรียกอย่างนี้เราก็ผ่านมาเยอะผ่านชื่อปัจเเวกเนี่ยมาเยอะแต่เราไม่อาจจะเน้นกันซะ ทั้งสองครั้งแล้วก็เลิกเน้นกันไปนานที่ว่ า, าบุคคลพิสูุรูปใดรูปหนึ่งออกบวดด้วยศรัทธาบวชแล้วก็สมาทานกรรมฐานหลีกเล่นไปอยู่แต่ผู้เดียวบุมเพลินความเพยียรจงกระทั่งทันที่สุดแห่งทุกข์สิ้นอาสวะเมื่อสิ้นอาสวะก็มียานอย่างรู้ว่าเราเป็นผู้มีชาตาิสิ้นแล้วสมอาจารย์อยู่จบแล้ว ิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีจาได้ใช่ไหม ค, คำพูดอย่างนี้ผ่านมาบ่อยๆคำว่ามียานอย่างรู้เนี่ยคือมียะใช่ไหมว่ายะถาภูตยา น, นัทสนะมียานอย่างรู้ตามความเป็นจริงในมรรคในผลที่ตัวบรรลุแล้วคงไม่ต้องเขียนภาษาบาลีให้ดูมัาา้งยา น, นะยะถาภูตยานัทนะหรือยะถาภูตยานในที่นี้คืออะไรนะเนี่ยเขียนยังไงนะ นั้นเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของปัตจะเวคขณะยาขอขอประทานโทษนะครับผมพูดพูดผิดไปไม่ใช่ยะถาพูตยานทัศนะพูดแล้วไปนึกถึงอย่างในเอกสารนี้ก็แก้ใหม่เกือบบาปแล้วไหมล่ะ ว, ว่าระวังแล้วนะท่านใช้คำวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ วิมุตติยานัตถสันมันแปลว่าเห็นยานหลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอนะ่ะยานที่รู้ว่าหลุดพ้นแล้วท่านอในพระไตรปิฎกที่เรียกส่วนใหญ่คือวิมุตติยานัตถสนะยะถาภูตยานนะเป็นเป็นอีกยานหนึ่งครับเป็นวิวัตนายานหนึ่งที่จะบอกทีหลังอยู่ในสูตรนี้นะคือเห็นมียานอย่างเห็นว่าหลุดพ้นแล้วนะ ยะถะอาอวิมุตติยานะทัตนะนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งและอีกชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งคืออันวยายานอันวยายยานเขียนอย่างนี้ครับพออ่างม่เห็นอากาศนอหนูเดี๋ยวคอยยอยักฟอแหวนอันวยายาน ผมมีข้อความที่ขออ่านให้ฟังนิดในยานากถาในพระไตรปิฎกคัดมาเล่มสามห้าที่ท่านพรลณ า, าถึงคำว่าอันวัยะยานว่าอันวายะยานคืออะไรในข้อความในนั้นกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงท่งในคือปัจจเวขณะยานไปในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ที่พระองค์ทรงรู้แล้วทรงเห็นแล้วทรงบรรลุแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงยังถึงแล้วว่าในอดีตสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งได้รู้ทุกแล้วได้รู้ ทุกข์กับสตูทายแล้วได้รู้ทุกข์นี้โลดแล้วได้รู้ทุกข์นี้โรตะกามินีปฏิปทาแล้วอสมณนะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รู้ทุกข์นี้เองรู้ทุกข์กับสมูทายรู้ทุกข์นี้โลดรู้ทุกข์นี้โรตคามินีปฏิปทานนี้เองแม้ในอนาคตก็เช่นเดียวกันผมก็เลยไม่ไม่อ่านไม่ความคลายกันแล้วก็สุดท้ายกล่าวว่า ธรรมะวิจชยะหรือสัมมาทิฏฐิในการส่งในคือปัจเะเวขณะยานไปนั้นอันใดนี้เรียกว่าอันวยะยานนะอันวยายานจึงหมายถึงยานที่กำหนดรู้ไปทำในที่มักให้ที่มักรู้ที่ผลให้ที่ผลรู้เรียกว่าอันวยายานนะนะ ที่ที่เราเคยใช้คําว่านยะปฏิเวทอารามานาปติเวทนี่แหละครับเพราะนั้นอันวยายยาณจึงเป็นชื่อของปัจจเวขณะยานอีกชื่อหนึ่งผมเลยนึกถึงคําแปลสวยๆไม่ออกเลยไม่ได้พูดเป็นคําแปลให้ฟังนะเลยนี่บอกความเผอพลังของให้ฟังไปซะด้วยก็เลยได้แต่ความไปของอันวยายยาณ เป็นชื่อปัจเจก์ก็เลยเป็นอันว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อเอามารวมกับที่เรียกในสูตรนี้ขยะยานเป็นชื่อของปัจเจกขณะยานอีกชื่อหนึ่งด้วยทีนี้คําว่าขยะยานเองก็ไม่ได้เป็นชื่อของปัจเจกขณะยานชื่อเดียวเองครับได้บางแห่งหมายถึงมรรคอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะเรียกขยะยาน ก็เพียงแต่ในที่นี้ให้รู้ตรงนี้การยุ่งก่อนว่าขยะยานเป็นชื่อของปัจเจเวกจึงเป็นอันสรุปได้ตรงนี้ว่าในบรรทัดครึ่งข้อความบรรทัดครึ่งที่พุทเจ้าตรัสว่าดูก่อนวิสูงหลายเมื่อทาเป็นที่สิ้นไปคืออาสวัไขเกิดขึ้นแล้วยานในทำเป็นที่สิ้นไปอันนั้นแม้ใดมีอยู่ก็คือ เราพูดได้มัรคเยานผลแยานแล้วก็มีปัจจเวกขณะยานกําหนดรู้ในรายละเอียดและที่ทรงมาตรัสมาสอนมาบัญญัติต่างๆได้เนี่ยทรงตรัสสอนด้วยหน้าของปัจจเวกขณะยานเอาปัจจวกขณะยานนี่มาใช้เพราะอะไรเพราะขณะบรรลุมรรคบรรลุผลเนี่ยได้แต่ศักยภาพแต่อารมณ์เป็นตัวๆหลากหลายเนี่ย ยังไม่ปรากฏในรายละเอียดตอนนั้นได้แต่ศักยภาพและรู้บางอย่างจากนั้นพลนมรคนผลมาแล้วปัจเจเวคณาญาณมาทําหน้าที่ที่เคราะห์สืบรู้จากศักยภาพต่างยานที่ได้จากมากจากผลนะก็จึงได้รายละเอียดเพราะฉะนั้นเทสนายานต่างๆเนี่ยไม่ได้ทรงเทศนาด้วยมรกายานบนยานแต่ทรงเทศนาด้วยยานอื่นอันได้อันเกิดจาก มักจากผลให้มาจากนี้จะได้ทรงการสืบลำดับของยานที่เกิดขึ้นโดยลำดับตามแบบหนึ่งในพระใจปิดกที่ไม่ใช่ยานสิบหกอย่างที่เราพูดกันในยานสิปกนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเนื้อหาที่ถึงยานสิบกเกีย่ยวข้องยานสิปกและเราก็จำเป็นจะต้องโยงไปหายานสิบก และสิ่งที่ไม่ใช่ญาณสิบหกด้วยแต่อยู่ในกระบวนการของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรอยู่ตรงไหนในพุทธพจน์เหล่านี้ประการที่หนึ่งข้อที่หนึ่งที่ทรงตรัสว่าเรากล่าวยานแม้นั้นว่ามีเหตุเป็นที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุเป็นที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุเป็นที่อิงอาศัยแห่ง ขยาัยานควรกล่าวว่าวิมุตในในนี้ผมเพียงแต่แปลศับแต่ไม่ได้ใส่องคธรรมหน้าสุดท้ายผมใส่องคธรรมให้นะแต่เวลาอธิบายก็อาจจะต้องโยงไปถึงหน้าสุดท้ายว่าไอ้ตรงไหนคืออะไรนะก็มันจะได้ไม่ไม่ลกเตือนไปแล้วก็ไม่ลน้นบรรทัดเกินไปก็ต้องไม่ลกต้องไม่ลน้นเลยต้องแบ่ง ว่าตรงนี้เอาคำแปลไว้ก่อนตอนหลังไว้ใส่องค์ธรรมตรงนี้นะแปลว่าถ้าผู้มีพระภาคทรงตั้งมักคยานผลลยานกับปัจเจเวกเป็นบทได้บทแสดงเป็นตัวหลักแล้วก็ที่ได้พูดที่แรกว่าเราสิ้นอาสวะเนี่ยไม่ใช่เพราะสิ้นโดยไม่รู้ แล้วก็เมื่อสิ้นแล้วก็สิ้นสิ้นแล้วก็รู้ว่าสิ้นแล้วด้วยนะเป็นเรื่องของความรู้ทั้งนั้นทีนี้ไอ้รู้เนี่ยเรามัพูดทวนว่ า, วารู้แต่ถามมันรู้ยังไงไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่เก่งจริงก็ต้องบอกว่าความรู้อันนี้มาจากความรู้อะไรซึ่งทรงแสดงกระบวนการลำดับของความรู้เป็นชั้นๆไปให้เห็นด้วยนี่ถือว่าเป็นความ หมดจดของความตรัสะรู้ด้วยแล้วก็หมดจดของการแสดงความรู้ด้วยดังนั้นในข้อที่หนึ่งจึงได้ทรงแสดงที่มาของขยยะยานหรือพูดง่ายๆว่าปัจจะถามว่าปัจเจเวขนายานเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไม่ได้เกิดอย่างรัดคิวแล้วก็ไม่ได้เกิดอย่างก้าวกระโดดคือไม่ได้ยานที่หนึ่ง<ม>ก็ได้ปัจเจเวกได้ไม่ได้ปัจเจเว นั้นเกิดตามวิมุตติวิมุตติคืออะไรแปลว่าความหลุดพ้นอ่ะที่เวลาในพระไตรปิกมักจะพูดแล้วก็พูดฟังเป็นพอาๆแต่บางทีก็เราก็ไม่ชัดเจนเมื่ออ่านว่าเอ๊ะอะไรหลุดพ้นอะไรเอาไปอธิบายตรงไหนสิ่งจะอยู่ในจุดในที่ของอัดของความตรงนั้นอ่าทีนี้ลองเดาสิครับว่าวิมุตตินี้คืออะไรท่านทิ้งคําว่าอาสวะไขาแล้วครับ อาตวะาไขพูดไว้รวมมรรครวมผลไว้ด้วยกันแต่พอมาจะกระจายเป็นขั้นเป็นตอนนั้นท่านใช้คำใหม่วิมุติเป็นชื่อของผลระยานก็คือปัจเจเวขณะยานนั้นเกิดหลังผลระยานผลระยานจึงเป็นที่อาศัยให้ปัจเจเวขณะยานเกิดคนบรรลุมรรคแล้วจะมาปัจเจเวก่อนแล้วผลที่หลังไม่ได้ มันยังไม่ไม่ชัดเจนเต็มกระบวนการจะต้องเกิดผลก่อนผลนั้นจึงชื่อว่าเป็นท่านใช้ก็เป็นทั้งอารมณะปัจจัยและเป็นทั้งอุ ป, ปนิสยาปัจจัยเหมือนอย่างเวลาที่เราตื่นขึ้นมาจากฝันและนึกถึงฝันเนี่ยเราจําเป็นต้องนึกถึงฝันฝันโดยเฉพาะฝันแรงนะมักผลที่เกิดนันเหมือนกับความฝันแรงไม่นึกไม่ได้ครับเป็นข้อบังคับ เวลาที่เราฝันอย่างแรงเนี่ยเราไม่นึกไม่ได้ถ้าฝันอย่างไม่แรงไม่นึกก็ได้ไปพยายามจะนึกยังนึกไม่ได้เลยบางทีใช่ไห่ใช่หรือบางทีไอ้ทีแรกนึกได้พอตอนหลังความฝันมันหายแรงไปมันก็นึกไม่ออกเยอยเพราะนั้นไอ้กำลังที่ทําให้เราต้องนึกย้อนในหนหลังเนี่ยไอ้กำลังตรงนั้นคือความเป็นอุปปิสยปัจจัยแต่เมื่อ เกิดความนึกแล้วไม่ไป น, นึกเรื่องอื่นนึกเรื่องฝันสิ่งที่ถูกนึกคือความฝันด้วยจิตตื่นของจิตตื่นเป็นอารมณ์ปัจจัยเหมือนกับเรามีอุปนิสัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่รุนแรงเป็นนิสัยปกติของเราเช่นเรามีศรัทธาแรงศรัทธานั้นเป็นอุปนิสัยของเรา เมื่อเรานึกถึงศรัทธาของเรานศะรัทธาของเราเป็นอุปนิสัยให้เราด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ให้เราด้วยขณะนั้นข้อสองเรากล่าวแม้ซึ่งวิมุตต์ว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งวิมุตต์ ควรกล่าวว่าวิราคะแปลตามศัพท์ว่าคลายกำหนัดวิปฏิเสธไม่ใช่ไม่มีแปลเพราะเพราะว่าคลายราคะคือความกำหนัดท่านท่านไม่ยากเรียกว่าวิโทสะวิโมหานะฮะท่านเอาไอ้กิเลสตัวสำคัญกิเลสที่เป็นมูลของสังสา ร, รวัฏมาเรียกจึงเรียกวิราคะ แต่ที่โทสักขยะโมหะขยะอ่าไอขยะนะ่ะบางทีเรียกอาวิราคะตรงนี้ไม่ใช่เป็นชื่อของอาการแต่เป็นชื่อของยานยานหนึ่งที่เกิดก่อนผลแะยานก็คือมรคยานนั่นเองครับมรคยานชื่อว่าวิราคะในพระไตยปิฎกทั้งหลายเรียกอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่วิราคะทุกแห่งจะต้องเป็นมรคเสมอไปนะต้องดูความที่นั้นด้วยแต่โดยส่วนใหญ่ เวลากล่าวเป็นลักษณะทางน้องอย่างนี้แล้วก็วิลาค้าจะหมายถึงมรรคยานผลไยานเกิดขึ้นเพราะมรรคยานแต่ถามว่า้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรตอบว่าด้วยนานักคณิกะกรร ม, มะปัจจัยด้วยแล้วก็ด้วยปักกตูบริศยะปัจจัยด้วยเนี่ยพูดไนดะ้ยากงไหน่อยคําว่านานักเนี่ยก็เพราะว่ามรรคยานนั้นเป็นกุศลโลกุตละใช่ไหมโลกุตละกุศลถูกไหมฮะเราเรียนเรื่องจิตมาแล้วผลไรยานเป็นวิบากจิต ไม่ใ ช, ใช่เป็นโลกุตละวิบากเกิดขึ้นจากมรรคกุศลความสัมพันธ์ระหว่างมรรคกายานโดยความเป็นเหตุเป็นผลในมุมนี้เรียกว่าเป็นกรร ม, มปัจจัยเป็นวิบากข้งกรร ม, มปัจจัยเป็นปัจจัยกันโดยความเป็นนานักกนิกากรร ม, มปัจจัยและอีกด้านหนึ่งก็คือปกจจุบันิสยปัจจัยก็คือเวลาที่เราทําวิปัสสนาเนี่ย ทำครั้งแรกก็เป็นอุปนิสัยต่อไปอย่างที่เราพูดนะทําเพื่อเอาอุปนิสัยบอกว่าเอาอุปนิสัยนี่ไม่เอายานเลยเราพูดแบบเตรียมตัวไม่กล้าเอาอุปนิสัยถึงขั้นยานแต่ความจริงความหมายมันเลยไปถึงยานด้วยนะทําถึงยาณไหนยานไหนก็แปลว่าทําเอาอุปนิสัยเป็นอุ ป, ปนิสาสะอุ ป, ปนิสาแก่ยานที่สูงขึ้นไปไม่ใช่ว่าเข้าไม่หมายพูดแบบเตรียมเน้เตรียมตัวเอาอุปนิสัยไว้กินใช่ไหม พอได้ยานแล้วผมไม่เอาอุปนิสัยแล้วเพราะผมได้แล้วผมจะเอาจริงๆนะเอามากเอาผลจริงๆกวามจริงก็ยังเป็นอุปนิสัยอยู่เพราะฉะนั้นอุปะนิสยาปจจัยของยานหนึ่งกับยานหนึ่งเนี่ยแกเป็นแรงผักเป็นอุปะนิสาสาอุปะนิสาแกยานที่สูงขึ้นไปไม่ใช่ว่าเข้ามาหมายพูดใบเจียมไ้เจียงตัวอุปนิสัยไว้กินชาตินาพอได้ยานแล้วผมไม่เอาอุปนิสัยแล้วเพราะผมได้แล้วผมจะเอาจริงๆนะเอามากเอาผลจริงๆ คามจริงก็ยังเป็นอุปนิสัยอยู่เพราะฉะนั้นอุปะนิสยาปัจจัยของยานหนึ่งกับยานหนึ่งเนี่ยแกเป็นแรงผลักดันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งยานสูงแรงดันก็สูงก็วิปัสนาญาณสิบหกเนี่ยครับที่สัมพันธ์กันโดยความเป็นกรรมและอุปนิสัยมีเฉพาะยานนี้กับยานนี้เท่านั้นคือมรรคยานกับผลยานถ้ายานหนึ่งยานสองยานสามยานสี่ยานห้าไม่สัมพันธ์กันโดยความเป็นนานักกนิการกามปัจจัย อันนี้ถ้าคนเรียนลึกแล้วฟังก็เป็นแง่มุมอันหนึ่งนะถ้าอไม่ได้ปรารถนาลึกก็ฟังแล้วก็ไม่เห็นเป็นคอพิเศษอะไรนะอย่างอนุโล ม, มายาแม้แต่โครตรภูยานที่เป็นอุปนิสัยแก่มัรคยานจําลําดับยานในมรรควิถีได้ใช่ไหมอ่าโครตรภูยานยานโอนโคตรมัรคยานเกิดมรโครตรภูยานเนี่ยเป็นมหากุศลญานสมยุทธ์นะ เป็นกุศลก็จริงวิบากของมันต้องไปรอกินชาตินะถ้านําเกิดหรือรอชาตินี้ก็เป็นเป็นรูปอื่นเล็กๆน้อยๆมัคคิยาณกับโคตรภูญานไม่สัมพันธ์กันโดยความเป็นกรรมแต่สัมพันธ์กันโดยความเป็นอุปนิสัยเราทําวิปัสสนาเนี่ยเราได้ผลกรรมก่อนหรือ ไ, ได้อุปนิสัยก่อนได้อุปนิสัยก่อนผลกรรมยังไม่ได้ก่อนบางทีกําลังทําวิปัสนาผลกรรมมันคือมั น, ม, นมันแหก มันแหกอุปานิสัยมาให้ผลแบบกรรมนะทําให้คนทำให้ศัสนาเนี่ยต้องชะลากรรมอะไรบางอย่างอย่างที่มันก็เลยเป็นประโยชน์แก่การกําหนดรู้ไม่งั้นเราก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องได้และจะต้องทําให้ได้คือเอาอุปายนิสัยให้ได้กําลังขึ้นไปทีละขั้นส่วนวิบากของมันเนี่ยเราหวังว่าชาติหน้าเราจะได้อุปายนิสัยด้วยแล้วก็ได้อ่าวิบากนําเกิดด้วย ว, วิบากพวกนี้นำเกิดก็เป็นของดีก็แล้วในพบหน้าชั้นนะต่อไปนะครับข้อสามเรากล่าวแม้ซึ่งวิราคะ่ะว่ามีเหตุเป็นที่ยิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุเป็นที่ยิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่ยิงอาศัยแห่งวิราคะ่ะเรากล่าวว่านิพพิธาที่แปลว่าความเบื่อหน่ายแล้วตรงนี้ผมควรจะอธิบายไปได้วยกันกับข้อสี่ข้อสี่เรากล่าวแม้ ซึ่งนิพิทาว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งนิพิทาควรกล่าวว่ายถาภูตะยณทัทสนะที่แปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นที่อิงอาศัยของนิพิทาเนี่ยะตรงนี้ที่จําเป็นต้องกล่าวคู่กันไปเนี่ยเพราะว่าถ้าเรากล่าวรวมข้อสานิพิทากับยะถาภูตญยานัทสนะ เมืออยาตอสังก a าชอบกล่าวก็จะกล่าวว่ามรรคผลเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยยานอะไรวิปัสนาญาใช่ไหมโลเกียวิวปัสนาในบางทีเรียกตันตันว่าวิวัสนาญาทําวิปัส น, น, นาถึงที่เต็มรอบแล้วมรรคยานเกิดใช่ไม่ใช่ทีนี้ในสูตรบางแห่งเนี่ยท่านแบ่งขั้นของวิปัสนาญาเอาไว้เป็นสองขั้นอย่างในสูตรนี้เรียกวิปัสนาญาขั้นแก่กล้าว่านิพิทา เรียกวิปัสนาญาณชั้นอ่อนว่ายถาภูตายา น, นัทสนะยานไหนเพราะอะไรจึงเรียกว่าเป็นวิปัสนาญาณขั้นกลางยานไหนเพราะอะไรจึงเรียกวิปัสนาญาณขั้นอ่อนผมตั้งปัญหาทิ้งไว้แค่นี้แล้วก็จบการบรรยายวันนี้แค่นี้ไม่ใช่เล่นตัวเราก็เห็นตำธาหมึนๆแล้วแล้วก็เวลาพอดีชั่วโมงก็ไว้ต่อข่าวหน้าแล้วกัน วันนี้ก็ขอยุติท่งนี้ขอเชิญพวกเรา